พระจะไปคุ้กันนะมาเป็นตัวย่างง่อมเลยไหมทังที่เระหลงปูก็อยากมุ่นมาไลา่ให้นะน้อยรับพูดเดียวท่านแล้วจะเป็นตัวย่างกอง่้อมมากกู้กันโอ้ยเดือยงสมสมรู้กันเลย <c oughs> มุ่นฝากมากูยกันตินมากสมมติ <c oughs> ไม่ให้จะไวตรงไหนกูมันจะถูมือจูมือเรื่องความสงบถูกไหมมอสฟ่าม้วนม้วนก็ยอมได้ภาพที่เรล่องขกูก็จักไปที่มุนขัาหน้ามันจากไอย้อมที่กูจะดไปจึงหมดขีดดี่นีไปเลย เราเหยิหูใส่หัวปิดตาสองข้ามปิดปากจะป้านเขานั่นงทำบุญมึมาทำบาปหือเารอายงเขาหนุ่มเดียวผมก็พราานะวันนาว่เป็นพระวนนาในป่ามีงจะหาคุยกันเต็ดาาดี่ยมันจีพระวันนาเด่นในบ้านเห็นตะเกียงเด่นขึงหัวเห็นตะกตโต๊งขนุนติกกตนด ธรรมดาพระรบ่งเรืองโมก้์พระวนาไปคุยกันตันนี้แล้วคุยเป็นประโยชน์ให้ได้บ้าเรื่องโลกกหได้บ่างขอพูนี้แหละพระทักกิตหนิ่งสงบถูกอกินยิ่งกว่าพอทั้งหมดเกิดสมาธิปัญญานั่นบ่มีสมาธิจะมีปัญญาถูกต้องเป็นยังไเข้าปานพนเหตุังไงนาที่โตคิรานายปริมันลลัง กบ้านได้เสียเจียัดเพื่อนมังกังไหนเพื่อนพูดกังไหมนหนอาพูดบ่ไม่ตหางแถวถ้วยกันีคนไปถามว่าก็นุ่มกบ ไ, ไดได้ย่กับพ่อแม่พวกเราหลวงพ่อช่วจะตายมีคไปถามให้พี่บอกกันหน่อยทันเจบอกตรงว่าขออนุญาตกน ทันทีจังบอคิดต้องบูดเป็นโทษด้องพูเป็นโทษขำว่ากูบาจใจกันขั้นกว่าพี่ที่ตั้งโลกนั่นมาเข้าไปไยางบาต้านไปทีางรลกค็ต้ีงจิหม้อปลาล้ก็ทากงอกนี่อตเท็จหรอการสอนโยมเพรา้สมุทรถกงินยิ่งกว่าคนสมุทรม่ีนุ่งกว่นยา เาเนี่ยตัวอย่างคุยกันกี่ยมเขาวมาทาบุญเร่ต้คุยกันโตเลกัน่เห็นเน่ยันจะแบบุญมาบุญคือคนสมองเื่อบุญเราน้ำป่าน้องมาทั้จังหวัดเรตะนบุหวมาสอนยาโยมกัขเจ้า สาธยจวัดเข้าบ้านวิธีเข้าบ้านยืนเดินนั่งท่างกายเทั้งว่าจ่าซึ่งใดควรบอกควรจ่าประดิมันละลังนุ่มหอมกี่วันให้เป็นบนตนบางองบ์กษัยหมวกุงทุกสังสะเดเพมเคยื่อนขล้องถึงของประด้มสำรวจเข้าบ้านควรทำยังไงเด้อ เราตัวแปดสิบที่ว่ัลเลมอนสันทุกอ้านก็ขอยั้งทมันแต่อายทั้งที่ก็ทกว่าจะไปสันไม่ได้สิไปสันองเดียวท่านัากรู้ว่าเข่วยไม่ช่วยกันเผยแต่แักวันจะช่วยกันเผยแต่วัฒนธรรมของธนจีน พูดแจ้งประเด็นสมรูเห็นนั้นพูดจะเริ่มรัฐศาสนาเห็นมบูลไหว้ปรเด็นโลกทั้งใดก็โอ้ปางส่เซอร์นเซียขึ้นน้ำมึนอื่นแล้วเหนเขาข้าวไปปูกขาเต้นด้วยกปรนเดนทวายูปีวีชีวคนสูกขึ้นในโรกนี้มันมีทำ สิ่ทำให้กลับมาโลก า, า, า, าก ท, ทีา่หน้าพระ ม, มิจด้ดูแต่ใจว่าถิ่เน้นนักเอกน้อมทำบุญนิมิตได้บุญาไม่ผ่านอยู่คง ด, ด้วยจังไนที่ยักาขานเพื่อต้องขนองในจำฉันจะเทียวรพาชืมม่มือองคจักว่าจำ <c oughs> นี่เวลาอาหาร มีไอหมอ่านมอไฟฟ้าตุกต๊กตกเวลางานลูกหานจะข้ามมอไฟเป็นแทวแล้วทุกสิ่งต่องไฟหลายตัไม่ไม่ลู้พูดมึงได้กันได้ขายหลายกิโลมึงนั้งขายดีไปสินตามหาเขาดีเดืนหนวัน อะรอีย่างอร่อยอันนี้อร่อยทุกเนี่ยกินเนี่ยจะมีตักปากต้มยานต้อกินกันแก็เงนเดือนไม่มีพันห้าทั้งสิปีเั้งสิบปีพอหลังพอมีพันห้าปี่าเนี่ยกินนี่ยกงงั้นเหมือไปบอกหลายัวร์สั้นสก็ไม่หน่อยนี่ะมานี้นะนีปรมานี้เมือหมืองาปกา